ศึกษามาเรียนรู้พระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะนำมาไปใช้ในการปฏิบัติดำเนินชีวิตให้ปราสจากความทุกข์ให้มีแต่ความสุขความเจริญโดยถ่ายเดียว ธรรมะที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็มีหัวข้อว่าส่วนประกอบของชีวิตชีวิตของพวกเรานี้มีส่วนประกอบอยู่สองส่วนด้วยกันส่วนที่หนึ่งคือร่างกายและส่วนที่สองคือจิตใจ ร่างกายนี้เป็นส่วนที่เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาของร่างกายร่างกายนี้ประกอบขึ้นมาด้วยธาตุสี่ประกอบจากธาตุสี่คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเมื่อมารวมตัวกัน ก็สร้างอาการสามสิบสองขึ้นมาสร้างผมสร้างขนเล็บฟันหนาเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกน้มหัวใจใตับทังผือไตปอดใส้ใหญ่ใส้น้อยอาหารใหม่อาหารก่าเยื่อในสมองสีจะน้ำดีน้ำสเสน้ำเหลืองน้ำเลือด น้ำเอ่อน้ำมันข้นน้ำตาน้ำมันเหลือน้ำลายน้ำมูกน้ำไขข้อนี่คืออาการฐานสิบสองอาการที่เป็นร่างกายนี้มาจากธาตุสี่คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุนมธาตุไฟธาตุลมก็คือลมหายใจที่เราหายใจเข้าอยู่เรื่อย ธาตุหนาวธาตุลมเข้าสู่ร่างกายธาตุน้ำก็คือของเหลวต่างๆเครื่องดื่มต่างๆที่เราดื่มเข้าไปในร่างกายธาตุดินก็คือของแข็งเช่นพวกข้าวพวกอาหารต่างๆแล้วก็ธาตุไฟก็คือความร้อนจากดวงอาทิตย์เมื่อธาตุทั้งสี่เข้าไปรวมตัวในร่างกาย ก็ทำให้ร่างกายนี้จเจริญเติบโตขึ้นมาได้ทำให้ร่างกายนี้อยู่ไปได้เรื่อยๆจนในจนวันจนวันหนึ่งเมื่อธาตุลมไม่สามารถเข้าไปในร่างกายได้แล้วหรือเมื่อร่างกายหยุดหายใจร่างกายก็จะหยุดทำงานแล้วก็จะเริ่ม สลายตัวไปธาตุลงก็จะออกจากร่างกายไปก่อนตามด้วยธาตุไฟตามด้วยธาตุน้ําส่วนที่เหลือก็จะเป็นธาตุดินไปนี่คือธรรมชาติคุณสมบัติของร่างกายเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่เกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไป ไม่ช้าก็เร็วไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครก็ตามร่างกายของคนนั่งรวยหรือของคนยากจนก็เป็นธรรมชาติเหมือนกันร่างกายของคนที่มียศถาบรรดาศักดิ์กับร่างกายของคนที่ไม่มียศถาบรรดาศักดิ์ก็เป็นเช่นเดียวกันไม่ต่างกันทำ ม, มาจากดินน้ำลมไฟเหมือนกัน แค่วันหนึ่งดินน้ำลมไฟที่มารวมตัวกันเป็นร่างกายเป็นอาการ32ก็จะต้องมีการแยกตัวออกจากกันไปนี่คือธรรมชาติของร่างกายไม่มีตัวตนเป็นสภาวะธรรมที่เกิดจากการรวมตัวของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟ ตัวตนไม่มีในร่างกายตัวตนนี้เป็นเพียงตัวความคิดของใจเท่านั้นเองนี่คือเรื่องของร่างกายเป็นของไม่เที่ยงแล้วก็ไม่มีตัวตนเป็นธรรมชาติที่มาผสมตัวกันคือธาตุสี่แล้ ว, วันหนึ่งก็จะต้องแยกตัวออกจากกันไปเป็นทุกข์ เป็นทุกคําว่าทุกนี้หมายถึงใครใครเป็นทุก์ใครที่มายึดติดร่างกายแล้วอยากให้ร่างกายนี้อยู่ไปนานๆก็จะต้องพบกับความทุกข์ขึ้นมาเพราะจะไม่ได้ตามความปรารถนาตามความต้องการนั่นเองผู้ที่ทุกข์คือใครผู้ที่ทุกข์ก็คือใจใจที่มาครอบครองร่างกายนี้ ชีวองพวกเรามีสองส่วนส่วนแรกก็คือร่างกายส่วนที่สองก็คือใจใจผู้ที่มาครอบครองร่างกายเพราะว่าอยากใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพระชนิดต่างๆทางที่ใจจะ จ็รู้เสียงกลิ่นรสผลสะพ้าได้ใจจําเป็นที่จะต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือเพราะว่าร่างกายมีตาไว้สําหรับดูรูปได้มีหูไว้สําหรับฟังเสียงได้มีลิ้นไว้สําหรับลิ้มรสได้มีจมูกไว้สําหรับดมกลิ่นได้มีร่างกายที่สามารถสัมผัสกับความ สัมผัสต่างๆที่มาสัมผัสกับร่างกายได้ใจไม่มีรูปเสียงใจไม่มีตาหูจมูกิ้นกายแต่ใจมีความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสผลิตต่างๆใจก็เลยต้องมาใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือใจมีความสามารถที่จะสามารถ ส่งกระแสไปรับรูปเสียงกิตลดผลทพะต่างๆที่ที่ตาหูจมูกริ้นกายได้ใจมีกระแสที่ส่งไปเกาะที่ตาหูจมูกริ้นกายพอเวลามีรูปเสียงกินลดมาสัมผัสกับตาหูจมูกร่างกายใจก็สามารถรับรู้รูปเสียงกินลดได้ผ่านทางกระแสของใจ ที่เรียกว่าวิญญาณใจมีความสามารถหลายประการด้วยกันที่ร่างกายไม่มีข้อที่หนึ่งใจมีความสามารถที่จะรู้อะไรต่างๆได้เช่นรู้ลูกเสียงกินลถได้เวลาที่วิญญาณที่ใจส่งไปรับลูกเสียงกินลดรับลูกเสียงกินลดเข้ามาที่ใจใจก็จะเป็นผู้รู้รู้ว่าตอนนี้ ได้เห็นรูปแล้วได้ยินเสียงแล้ว mm. นอกจากการมีความสามารถที่จะรู้และมีความสามารถที่จะส่งกระแสไปรับรูปเสียงกลิ่นมาแล้วยังมีความสามารถที่จะมีความรู้สึกด้วยคือมีความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ mm. เวลาที่วิญญาณไปรับรูปเสียงกลิดด่นลดมาจากตาหูจมูกนิก้วกาย ก็จะเกิดความสุขหรือทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ขึ้นมาขึอยู่กับลูกเสียงกลิ่นรสผลทพะที่ไปสัมผัสรับรู้นั้นเป็นลูกเสียงกลิ่นรสผลทพะแบบไหนถ้าเป็นแบบที่ใจชอบก็จะเกิดสุขเวทนาขึ้นมาถ้าเป็นลูกเสียงกลิ่นรสผลทพะที่ใจไม่ชอบก็จะเป็นทุกขเวทนาขึ้นมา แล้วถ้าไปสัมผัสกับรูปเสียงกิ่นรสผลสะพะที่เป็นกลางใจไม่ได้ยินดียินร้ายก็จะเกิดความรู้สึกกลางกลางขึ้นมาไม่สุขไม่ทุกข์ขึ้นมาในใจแล้วนอกจากการมีความสามารถที่จะรับที่จะรู้มีความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์แล้วก็ยังมีความสามารถที่จะคิดที่จะนึก ที่จะนึกก็คือคือสัญญาความจําได้หมายรู้มีความสามารถที่จะมีความจาได้หมายรู้คือจํารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆที่เคยเสพเคยสัมผัสมาก่อนได้พอไปเจะรูปเสียงกลิ่นรสที่เคยเสพสัมผัสมาแล้ว mm. ก็จะจำได้ว่าเป็นรูปเสียงกลิ่นรสที่ชอบหรือไม่ชอบขึ้นมา mm. mm. สัญญาเป็นผู้ที่จะ ทำให้เกิดความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ขึ้นมาแล้วพอสัญญาได้ได้ได้ได้จำว่าเป็นเป็นสุขเป็นเป็นชอบหรือไม่ชอบก็เกิดเวทนาเกิดสุขรู้ทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ขึ้นมาแล้วพอเกิดเวทนาขึ้นมาก็จะเกิดสังขารความคิดปรุงแต่ของใจขึ้นมา คือคิดว่าถ้าสิ่งที่ชอบก็อยากจะได้ถ้าสิ่งที่ไม่ชอบก็อยากจะไม่ได้อยากจะให้มันหายไปก็จะสั่งไปที่ร่างกายเวลาได้เห็นรูปเสียงกลิ่นรสที่ชอบที่ชอบใจก็สั่งให้ร่างกายไปไปจะไปหามาไปเอามาครอบคองถ้าเปเจอกับรูปเสียงกลิ่นรสผิดสภาพที่ไม่ชอบ ก็สั่งให้ร่างกายเอาไปกำจัดเอาไปทิ้งอย่าไปอยู่ใกล้เป็นต้นถ้าสามารถทำตามความอยากได้ใจก็มีความสุขถ้าไม่สามารถทำตามความอยากได้ใจก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งอันนี้ทุกข์ที่เกิดจากความอยากทุกข์ที่เกิดจากการทำทำในสิ่งที่อยากได้ หรือไม่ได้ถ้าทุกเกิดจากความความยอยากที่จะทำแล้วทำไม่ได้ก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าอยากแล้วทำได้ก็จะเกิดความสุขขึ้นมาอันนี้เป็นทุขทุกข์ที่เกิดจากความอยากได้หรือไม่อยากได้ความได้ตังใจอยากหรือไม่ทำให้เกิดความสุขความทุกข์ใจขึ้นมา นอกจากทุกเวทนาหรือสุขกเวทนาที่มาจากการสัาผัสกับลูกเสียงกลิ่นรสที่ชอบหรือไม่ชอบมีสองส่วนด้วยกันทุกกเวทนาสุขกเวทน า, นาไม่สุขไม่ทุกขเวทนานีส่วนหนึ่งส่วนนี้เกิดจากการที่เรารับลูกเสียงกลิ่นรสมาเช่นตอนนี้เราได้ยินเสียงดัง ถ้าเราไม่ชอบเราก็จะเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาถ้าเราชอบเสียงดังมันก็จะทําให้เราเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาแล้วถ้าเราไม่ชอบแล้วเราอยากให้เสียงดังนี้หายไปพอเสียงดังนี้มันไม่หายไปมันก็ทําให้เราเกิดความทุกข์ขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งอันนี้ทุกเรียกว่าทุกที่เกิดจากความอยากอยากแล้วไม่ได้ดังใจอยากยก็เลยเกิดความทุกข์ขึ้นมา ในใจนี้มีทุกข์สุขสองชนิดด้วยกันทุกข์สุขตามตามที่ได้สัมผัสกับโนกเสียงจิตนรดที่ถูกใจหรือไม่ถูกใจแล้วก็ทุกข์สุขที่เกิดจากการกระทําที่ทําตามความอยากได้หรือไม่ได้ทําตามความอยากทำตามความอยากไม่ได้ทําตามความอยากได้ก็เกิดความสุข ทำตามความอยากไม่ได้ก็จะเกิดความทุกข์ปัญหาของพวกเราก็คือปัญหาของความทุกข์ใจที่เกิดจากการทำตามความอยากแล้วไม่ได้ดังใจอยากนี้ที่เราจะต้องมาแก้ไขกัน <S <S เพราะว่าเราไปแก้ไขรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี้ไม่ได้รูปเสียงกลงิ่รนรสเขาก็เป็นของเขาอย่างนี้ บางทีก็มีเสียงดีเสียงที่เราชอบบางทีก็มีเสียงที่เราไม่ชอบบางทีเราก็จะรูปที่เราชอบบางทีเราก็จะก็รูปที่เราไม่ชอบหรือเสียงที่เป็นกลางๆารูปที่เป็นกลางๆางมันก็ทำให้เกิดเวทนาความรู้สึกต่างๆขึ้นมาเกิดสุขเวทนาบ้างเกิดทุกขเวทนาบ้าง เกิดเวทนาเฉยๆบ้างไม่สุขไม่ทุกข์บ้างอันนี้ส่วนนี้เป็นสิ่งที่เราห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้เพราะเขาอยู่ภายใต้กฎของอ น, นิจจังทุกขงังอนัตตาคือเขามีหลากหลายชนิดด้วยกันมีทั้งส่วนที่เราชอบมีทั้งส่วนที่เราไม่ชอบเราไปกำหนดว่าเราจะต้อง เจอแต่สิ่งที่เราชอบอย่างเดียวไม่ได้บางเวลาเราก็ต้องไปเจอกับสิ่งที่เราไม่ชอบพอเราไปเจอในสิ่งที่เราไม่ชอบเราก็อยากจะให้มันหายไปพอมันไม่หายมันก็เลยทําให้เราทุกข์ขึ้นมาอีกชั้นหนึงความทุกข์ส่วนนี้ความทุกข์ที่เกิดจากความอย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงตัดสั่งทรงค้นพบวิธีที่จะทําให้ใจไม่ต้องทุกข์ ได้เวลาที่ต้องไปเจอกับสิ่งที่ไม่ชอบ mm. ด้วยการทำใจให้นิ่งให้สงบนี่เอง mm. นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้คนแรกวิธีที่จะกำจัดความทุกข์ใจที่เกิดจากการมีความอยากแล้วไม่สามารถทาทำตามความอยากได้ mm. วิธีแก้ก็คืออย่าไปทําตามความอยากอย่าไปอยากหยุดความอยากเสียทำใจให้เฉยๆแล้วใจก็จะไม่ทุกข์ที่ทุกข์ก็เกิดความอยากขึ้นมาอยากให้สิ่งที่เราไม่ชอบหายไปแล้วอยากจะให้สิ่งที่เรารักอยู่กับเราไปนานๆอยู่กับเราไปเรื่อยๆแต่ธรรมชาติของสิ่งตา่างๆ ที่มีอยู่ในโลกนี้เขาไม่เป็นสิ่งที่ยั่งยืนคาวรเขามีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆบางทีเขาก็เป็นสิ่งที่เราชอบและบางทีเขาก็เปลี่ยนไปเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบเสบางทีเขาก็อยู่กับเราบางทีเขาก็ไม่อยู่กับเรา <c oughs> เราไม่สามารถไปควบคุมบังคับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ ทีใจของพวกเราทุ ก, กันทุกวันนี้เพราเรายเราอยากจะควบกลุมบังคับให้สิ่งต่างๆที่เราชอบนั้นอยู่กับเราไปเรื่อยๆไม่อยากให้เขาเปลี่ยนไปหมดไปวรจากเราไปพอเขาต้องมีการเปลี่ยนไปจากเราไป <c oughs> มันก็เลยทำให้ใจเราทุ ก, กันถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องอย่าไปอยากให้เขา เป็นไปตามความอยากของเราปล่อยให้เขาเป็นไปตามความเป็นจริงของเขาแล้วเราหัดอยู่กับความเป็นจริงของเขาให้ได้แล้วใจของเราก็จะไม่ทุกข์อยู่กับความเป็นจริงอยู่อย่างไรก็อยู่อย่างเฉยๆอยู่โดยไม่มีความอยากไม่มีความอยากให้เขาอยู่หรือไม่มีความอยากให้เขาไปเป็นสิ่งที่เรารักก็อยากไปอยากให้เขาอยู่ เขาไม่ช้าก็เร็วเขาก็ต้องไปสิ่งที่เราไม่รักก็อย่าไปอยากให้เขาไปพราะอยากแล้วเขาก็ไม่ไปอยู่ดีเขาจะไปเองเมื่อถึงเวลาแต่ตอนที่เขายังไม่ไปเราไปสัไปอยากให้เขาไปเขาก็ไม่ไปเวลาอยากให้เขาไปแล้วเขาไม่ไปก็จะทําให้ใจเราทุกเวลาอยากให้สิ่งที่เรารักไม่ไปไม่จากเราไป เขาจ้างเราไปก็ทำให้เราทุกข์แต่ถ้าเราอดอยู่ความเป็นจริงโดยถ้าเขาอยู่ก็ก็ปล่อยเขาอยู่ไปถ้าเขาไปก็ปล่อยให้เขาไปใจของเราก็จะไม่ทุกข์กับอะไรทีนี้วิธีทีะทำให้ใจของเราปล่อยได้อยู่กับความเป็นจริงของสิ่งต่างๆได้เราต้องมีกำลังหยุดความ อยากของใจให้ได้เพราะตอนนี้ใจของเรามันอยากอยู่เรื่อยๆอยากให้สิ่งที่เรารักอยู่กับเราไปเรื่อยๆอยากให้สิ่งที่เราไม่รักไม่ชอบหายไปเร็วๆจากเราไปเร็วๆพออยากแล้วไม่ได้ดังใจอยากก็ทำให้เราเกิดความทุกข์โ mm. ดยความเศร้าโศกเสียใจขึ้นมาถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ไม่อยากจะเศร้าโศกเสียใจ เราก็ต้องมาฝึกวิธีหยุดใจของเราไม่ให้มีไม่ให้มีไม่ให้เกิดความอยากขึ้นเวลาเจอของที่รักก็อย่าไปอยากให้เขาอยู่กับเราไปนานๆเวลาไปเจอของที่เราไม่รักก็อย่าไปอยากให้เขาหายไปฝึกใจให้รู้อยู่เฉยๆการที่จะทำให้ใจรู้อยู่เฉยๆได้ก็ต้องฝึกสมาธิกัน เวลาเราทำสมาธินี้เป้าหมายก็คือเราต้องการหยุดใจของเราหยุดความอยากที่มีในใจของเราไม่ให้มีความอยากเกิดขึ้นให้รู้อยู่เฉยๆถ้าเราฝึกได้ต่อไปเวลาที่เราออกจากสมาธิมาเวลาเราเจอกับสิ่งต่างๆเราก็จะได้รู้อยู่เฉยๆได้รู้โดยที่ไม่ต้องมีความอยาก เวลาเจออยู่กับสิ่งที่เราลักก็อยากไปก็จะไม่อยากให้เขาอยู่กับเราไปตลอดเวลาอยู่กับสิ่งที่เราไม่ลักก็ไม่มีความอยากให้เขาหายไปเมื่อต้องเจอสิ่งที่เราไม่ลักก็อยู่กับเขาไปเมื่อ <Duncan> อยู่กับสิ่งที่เราลักก็จะไม่มีความอยากให้เขาหายไปเขาจะไปก็ปล่อยเขาไปเขาจะอยู่ก็ปล่อยเขาอยู่ไปนี่คือการทํา ให้ปล่อยวางเราต้องปล่อยวางด้วยการทำใจให้นิ่งให้สงบให้เป็นสมาธิให้ได้ mm hmm. เพราะเมื่อเราสามารถทำใจให้นิ่งให้สงบให้เป็นสมาธิได้แล้ว mm hmm. เวลาเราไปสัมผัสรับรู้กับสิ่งต่างๆ mm hmm. เราก็จะสามารถรับรู้แบบเฉยๆได้รับรู้ว่าเขาเป็นอย่างนี้ mm hmm. อย่าไปอยากให้เขาเป็นอย่างอื่น เป็นเขาเป็นส้มอยากไปอยากให้เขาเป็นกล้วยใจเราก็จะไม่ทุกข์ถ้าเขาเป็นกล้วยเราอยากให้เขาเป็นส้มแล้วไม่ได้ดังใจอยากใจของเราก็จะทุกข์ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์กับอะไรเราก็อย่าไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยากไปอยากให้เขาเป็นไปตามความอยากของเราให้เขาเป็นไปตามความเป็นจริงของเขา คือเราต้องยอมนับความเป็นจริงของเขาให้ได้ไม่ว่าอะไรก็ตามในโลกนี้ mm. พระเจ้าบอกว่าของทุกอย่างนี้มีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเป็นธรรมดา mm. ของทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสโัตว์ธาตุชนิ ด, ดตา่างๆเสียงที่เราได้ยินขณะนี้ mm. เดี๋ยวมันก็ดับไปเมื่อถึงเวลา mm. เวลามันจะดับมันก็ดับ mm. แต่เมื่อยังไม่ถึงเวลาดับ เราไปอยากให้มันดับมันก็จะทำให้เราทุกข์ึ้มาเพราะเราจะไม่ได้ดังใจอ่ะเวลาเราเจอกับสิ่งที่เราไม่ชอบถ้าเราฝึกสติฝึกสมาธิได้นั่งสมาธิทำใจให้เฉยได้ใจเราจะไม่ทุกข์ใจเราจะมีความสุขกับความสงบมสมาธินี่คือความสงบเว่าทาใจให้สงบแล้วใจจะมีความสุข เราสามารถที่จ ะ, ะเผชิญกับสิ่งอย่างต่างได้อย่างไม่ทุกข์เดือดร้อนใจแต่อย่างใดถ้าเรามีปัญญามาช่วยสอนในชั้นหนึ่งคือสอนให้เรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่อนี้เป็นของที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นของที่สามารถเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้เป็นยากสิ่งที่เราชอบให้กลายเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบได้ เปลี่ยนจากสิ่งที่เราไม่ชอบให้เป็นสิ่งที่เราชอบได้หรืออาจจะมีการเสื่อมหมดไปก็ได้ไม่มีอะไรยั่งยืนถาวร<ช>ถ้าใจเรารู้อย่างนี้ใจเราก็จะได้คอยห้ามใจอย่ากปอยากเวล า, า, า, าเราเจอกับสิ่งที่เราลักเราชอบก็อย่าไปอยากให้เขาอยู่กับเราไปตลอดเ<ม>พราะเรารู้ด้วยปัญญาว่าวันหนึ่งเขาจะต้อง เปลี่ยนไปหมดไปจากเราไปเวลาเราเจอกับสิ่งที่เราไม่ชอบก็อย่าไปอยากให้เขาหายไปเพราะเราไม่สามารถไปสั่งให้เขาหายไปได้แต่ถึงเวลาวันหนึ่งเขาก็จะต้องหายไปอยู่ดีเพราะทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ยั่งยืนไม่ถาวรถ้าเรามีปรรัญญาคอยเตือนใจสอนใจอย่างนี้เรื่อยๆเราก็จะสอนใจให้รู้เฉย ให้รู้ตามความเป็นจริงของสิ่งต่างๆให้รู้แล้วอย่าไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอย่าเป็นอย่างนี้พอเราไม่มีความอยากให้สิ่งต่างๆเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ใจเราก็จะไม่มีความทุกข์กับอะไร น, นี่แหละคือวิธีแก้ความทุกข์ที่ถูกต้องไม่ใช่เป็นการไม่ใช่ไปแก้ไปแก้ในสิ่งที่เราอยากให้เป็นไปตามความอยากของเรา เพราะบางทีมันแก้ไม่ได้เช่นร่างกายของเราเราจะไปแก้ให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี้เราทำไม่ได้ถ้าเราเกิดความอยากให้มันไม่แก่เราก็จะทุกข์เวลาที่ร่างกายมันแก่ถ้าเราอยากให้มันไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเวลามันเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็จะทำให้เราทุกข์ึ้นเวลามันตายถ้าเราไปอยากให้มันไม่ตายมันก็จะทำให้เราทุกข์ขึ้นมาได้ แต่ถ้าเรามีปัญญาเห็นตามความเป็นจริงอยอมรับความเป็นจริงของร่างกายว่าจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราก็อยู่กับความจริงไปเท่านั้นเองอย่าไปฝืนความจริงอย่าไปอยากให้มันไม่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างไรก็ปล่อยให้มันเป็นไปด้วยการใช้สติใช้สมาธิทำใจให้นิ่งให้วางเฉยเท่านั้นเองใจของเราก็จะไม่มีความทุกข์กับอะไร นี่แนหะคือวิธีการของทางธรรมพะทางของพระพุทธเจ้ามีไว้เพื่อสอนใจให้หยุดสร้างความทุกข์ให้กับตัวเองขึ้นมาเท่านั้นเองความทุกข์ทั้งหลายนี้ความทุกข์ของใจนี้เกิดจากใจเป็นผู้สร้างขึ้นมาเองสร้างด้วยความอยากพออยากแล้วไม่ได้ดังใจอยากก็ทุกข์แต่ถ้า ไม่สร้างความอยากได้หยุดความอยากได้ด้วยการเข้าสมาธิด้วยการมีสมาธิมีกำลังมีสติที่จะหยุดความอยากได้ใจก็จะไม่ทุกกับอะไรหน้าที่ของพวกเราก็คือเราต้องมาสร้างสติสร้างสมาธิแล้วสร้างปัญญาสติคอยหยุดใจให้นิ่งให้เป็นสมาธิให้วางเฉยให้อยู่เฉยเฉยให้ได้ปัญญาสอนใจให้รับความจริงของสิ่ ง, งต่าง ว่าเราเปลี่ยนความจริงไม่ได้ความจริงเป็นอย่างไรก็ต้องเป็นอย่างนั้นเวลาความแก่เกิดขึ้นเราไปเปลี่ยนให้มันไม่แก่ก็ไม่ได้เวลาการเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดขึ้นมาจะไปเปลี่ยนให้มันไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ได้เวลาความตายปรากฏขึ้นมาจะไปเปลี่ยนให้มันไม่ตายก็ไม่ได้ถ้าเราเห็นด้วยปัญญาเราก็จะไม่ไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย แต่ถ้าเรายังรักษาได้เราก็รักษาไปร่างกายนี้ถ้าเรายังดูแลได้ก็ดูแลไปเพราะร่างกายก็ยังเป็นเป็นเครื่องมือในการทำคุณประโยชน์ให้กับเราได้และให้กับผู้อื่นได้ถ้าเรายังไม่สามารถกําจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดประจักษ์ใจได้เราก็ต้องอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือในการสร้างศีลสมาธิปัญญาขึ้นมา ถ้าเราสามารถกำจัดความทุกขต่างๆหมดไปจากใจได้แล้วเราก็ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการเผยแผ่สั่งสอนธรรมะของพระพุทธเจ้าให้ผู้อนเขาได้นำมาไปปฏิบัติต่อดังนั้นถ้ายังรักษาดูแลร่างกายได้ก็รักษาดูแลไปพระพุทธเจ้าพระหลานตถาลกคถึงแม้ว่าท่านไม่ต้องท่านท่านไม่ต้องใช้ร่างกายแล้วก็ตามท่านก็ยังดูแลร่างกายอยู่ตามอัตภาพ แต่ท่านยังไม่ทูกกับร่างกายเวลามันแก่มันเจ็บหรือมันตายเพราะท่านดูว่าห้ามมันไม่ได้แล้วท่านสามารถไม่เดือดร้อนได้อยู่ยังมีความสุขได้ด้วยการทําใจให้นิ่งให้ปล่อยวางให้หยุดความอยากที่มีในใจเทนั้นเองเรื่องนี้คือเรื่องส่วนประกอบของชีวิตที่มีสองส่วนคือร่างกายและจิตใจ ร่างกายของเราตอนนี้มาทุกจิตใจของเราตอนนี้มาทุกกับร่างกายเราสามารถแก้ได้โดยเอาธรรมะของพระเจ้ามาแก้คือเอามาฝึกสตินั่งสมาธิแล้วก็เอาปัญญามาสอนใจให้เห็นว่าร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่เกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราต้องมาสอนใจให้ยอมรับความจริงอันนี้แล้วอย่าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายให้ได้ ด้วยการฝึกสตินั่งสมาธิอยู่เรื่อยๆแล้วเราก็จะมีกําลังที่จะหยุดความอยากต่างๆได้แล้วความทุกข์ใจก็จะไม่มีอีกต่อไปอันนี้คือเรื่องขององค์ประกอบยอสวนประกอบของชีวิตที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาแล้วลาดับต่อไปนี้เราก็จะมาปฏิบัติทำกันมาสร้างสติมานั่งสมาธิ ทำฝึกใจให้นิ่งให้เฉยให้ปล่อยวางให้หยุดความอยากแบบชั่วคราวก่อนคือก็เวลาเราทําใจให้นิ่งให้สงบให้หยุดคิดได้เราก็จะสามารถหยุดความอยากได้เอาที่ใจไม่มีความอยากใจก็จะเกิดความอิ่มเกิดความสงบ ข, ขึ้นมาแบบชั่วคราวเพราะว่าการเข้าสมาธินี้เป็นการเข้าแบบได้ไม่ยาวตลอดเวลาเข้าได้ระยะหนึ่งแล้วก็ต้องถอนออกมา เวลาอยู่ในสมาธิใจก็นิ่งสงบไม่มีความอยากใจก็มีความสุขแต่พอเวลาออกจากสมาธิมาใจก็จะไม่นิ่งใจก็จะเริ่มคิดเริ่มสัมผัสรับรู้กับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสกับตาหูจมูกนิ้นกายก็จะเกิดความอยากขึ้นมาตอนนั้นเราต้องใช้ปัญญาสอนใจอย่าไปอยากกับสิ่งต่างๆปล่อยให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขาแล้วใจเราก็จะได้ไม่ทุกข์ ทั้งในขณะที่เราอยู่ในสมาธิและทั้งในขณะที่เราออกจากสมาธิมาเป้าหมายของชีวิตของพวกเราก็คือเพื่อมาดับความทุกข์ต่างๆที่มีในใจของเราให้หมดสิ้นไปเท่านั้นเองเพราะถ้าไม่มีความทุกข์แล้วใจของเราก็จะอยู่อย่างสบายอ ย, บบบมมอยู่แบบปรมมัสุขอยู่แบบปลมังสุขขังอยู่แบบที่ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปเราจรึงต้องมาฝึกสตินั่งสมาธิกันให้มากๆ ยิ่งทำใจให้นิ่งให้สงบได้มากเท่าไรใจยิ่งมีความสุขมากขึ้นเท่านั้นใจย่อมใจยิ่งมีความมีพลังที่จะหยุดความอยากต่างๆได้มากขึ้นมีพลังที่จะปล่อยวางร่างกายได้เราจึงจำเป็นที่ต้องมาฝึกสตินั่งสมาธิกันการนั่งนั่งสมาธิให้ผลก็ต้องมีสติคอยกํากับใจสติคือการระลึกรู้ให้กํากับใจให้อยู่กับอารมณ์ที่จะกล่อมใจให้นิ่งให้สงบ อารมณ์ที่จะกล่อมใจนี่เราเรียกว่ากรรมฐานเช่นครรมบริกรรมพุทโธพุทโธนี่เป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งที่จะกล่อมใจให้เข้าสู่ความสงบได้หรือการดูลมหายใจเข้าออกที่ปลายจ ม, มูกอันนี้ก็เป็นอารมณ์อีกอารมณ์หนึ่งที่จะสามารถกล่อมใจให้เข้าสู่ความสงบได้หรือถ้าเรายังไม่สามารถดูลมได้หรือบริกรรมได้เพราะใจเราคิดมากเราก็ใช้การสวดมนต์ไปก่อนก็ได้ การส่วนมันก็เป็นกรรมฐานอีกอย่างหนึ่งเป็นอารมณ์ที่จะสามารถกล่อมใจของเราให้นิ่งให้สงบได้เหมือนกันดังนั้นเวลาเรานั่งสมาธิถ้าเราต้องการที่จะให้ใจนิ่งให้สงบเราต้องมีสติกํากับใจให้อยู่กับกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งอย่านั่งเฉยเฉยถ้านั่งเฉยเฉแล้วนั่งไปจนวันตายก็ไม่มีวันที่จะสงบได้ถ้าอยากจะให้ใจสงบต้องมีสติการเลือกรู้ อยู่กับอารมณ์ที่จะทําใจให้เราสงบ<ม>อยู่กับกรรมฐาน<ม>อยู่กับคําบริกรรมพุทโธ<ม>หรืออยู่กับการดูลมหายใจหรืออยู่กับการสวดมนต์หรือถ้าเรามีวิธีอื่นมีกรรมฐานแบบอื่นก็ใช้ได้บางคนอาจจะใช้การสวดบทนั้นบทนี้<ม>ใช้การระลึกถึงรูปภาพภาพของพระพุทธเจ้าก็ได้<ม>แล้วแต่ บางคนก็ใช้คํามวิกรรมแบบอื่นใช้สัมมาอราหังก็ได้มีหลากหลายวิธีด้วยกันแต่ต้องมีวิธีใดวิธีหนึ่งไว้ผูกใจไว้อย่านั่งเฉยๆในเวลาเรานั่งแล้วเกิดอาการต่างๆปรากฏขึ้นมาในใจก็อย่าไปสนใจอยากทิ้งกรรมฐานผูกใจให้อยู่กรรมฐานไปจนกว่าใจจะนิ่งสงบแล้วใจก็จะปล่อยวางกรรมฐานได้ ใจก็จะอยู่เฉยๆอยู่อย่างมีความสุขได้นี่คือวิธีการนั่งสมาธิที่เราจะมาทากันไปจนกระทั่งหมดเวลาเป็นประมาณสักยี่สิบสี่นาทีด้วยกันอตอนนี้เวลาสำหรับการนั่งสมาธิก็ได้หมดลงแล้วตอนที่เราจะเลิกตรวจสังเกตดู ว่าวันนี้นั่งแล้วสงบไหมถ้าสงบดีก็ให้จดจำวิธีนั่งขอ ง, ของวันนี้ไว้แล้วว่าคราวหน้าเวลานั่งก็ใช้วิธีนี้ต่อไปได้เลยใจก็จะสงบเหมือนวันนี้แต่อย่าไปนั่งแล้วอยากให้มันสงบเพราะมันจะไม่สงบด้วยความอยากถ้านั่งแล้วยังไม่สงบก็แสดงว่าสติยังมีไม่มากก็ควรจะเจริญสติให้มากก่อนที่จะมานั่งคราวหน้า เราสามารถจเจริญสติได้ทั้งวันตั้งแต่ตื่นจนหลับให้นึกถึงพุทโธพุทโธไปในใจอยู่เรื่อยๆหรือเข้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไปแล้วต่อไปเราก็จะมีสมาสติมากขึ้นนั่งสมาธิก็จะสงบได้ง่ายขึ้นและนานขึ้นแล้วต่อทีนี้จะขอมิโมทนาให้พร ยะถาวาริวหังตราปลิกุเณติสากหลังเอวเมวะอิโตจินังเปตานังอุปการปติยชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจะตสัพเพปุเณรตุสังกาปาจันโทปนะระโสยะถาเิโชติ 阿拉โสยะาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโลกวิณสตุมาเตผวะตวันตาลอยสุขีทิขายุโกภวะอภิวัตนาสีลิศนิจจงุทธาปจายโนจตารูธรรมวัฏฐิอายุวันโอสุขัง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 วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไรทาง facebook YouTube, Life, 2 YouTube, v, you, online, house, uti, 2ร y o u t u ่ e ทพสุชาติไลฟ์งร้อยเ o ้าสิบด็อกร์วีิวิทยุออนไลน์สามกลับ3ฮาสหน้ากุฏิร้อรวม7จค่ะ I have um, one question one theme that um, yeah, was going on for me For me, in the yeah, last few weeks, is certain things coming up over and over again, mm. like um, yeah, yeah, emotions rising uh, up again and again, and y yeah, very persistent. But then also, yeah, it materialized as yeah, when I'm sitting for the meditation, I have um, like sensations in my body, like itching. It's coming over and over again, and um, yeah, it's. Uh, very hard to uh, release it and, and, and let it go. Well, the point is not try to release, uh, relieve it. Just leave it alone, because if you can leave it alone, it will not bother you. What's bothering you is you trying to get rid of it, and you cannot get rid of it. So the way to deal with this thing is to leave it alone, by Practicing meditation. When you meditate, then you come inside and you leave everything else alone. That's the only way to deal with things correctly. But if you try to get rid of it, it will keep coming back, maybe more, and it will bother you more and more. Also, so you have to accept that things coming and going are natural processes. Like the weather, the weather comes and go. So are your emotions and things. The way to deal with it is to leave it alone, like you leave the weather alone. Try to learn to live with it. And the way to do this, you have to be calm and still. You have to still your mind. Don't react to anything that comes come across. Just let them come and go. Everything is. A temporary process. They come and then eventually they go away. So try not to be bothered by them. When you're not bothered, then you don't have to do anything. The problem is you're bothered. You want to get rid of it, and the more you want to get rid of it, and you could not get rid of it, then the more bothersome you become. So the point is, try not to to get rid of it. Just try to accept things as they are. And your mind will be peaceful, and it doesn't matter what hap what happens, what comes. You know, it will not bother the mind. Once the mind is not bothered, then the mind doesn't have to do anything. So try to practice a lot of meditation in order to calm your mind and keep your mind still and not reacting to things. Okay. มีใครอยากจะถามอีกไหมอเชย์เข้ามาได้จ้กะการนมัสการเจ้าค่ะก็คือปฏิบัติโดยวิธีการใช้คาบริกรรมในระหว่างวันใช่ไหมเจ้าค่ะและบางครั้งเราก็จะเห็นอารมณ์ที่ผุดขึ้นมาพอเราเห็นเราก็รู้สึกว่าเราเห็นสมมติว่าเราโกรธนะเจ้าค่ะเราก็จะรู้สึกว่าเออโกรธมาแล้วหรือคิดคิดมาแล้วคิดถึงหรืออะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ แต่ว่าเราพอเราพอเราคิดถึงปุ๊บเรารู้ว่าเราเห็นว่าอารมณ์มันขึ้นมาเราก็จะบริกรรมเพื่อที่จะดับเขาไปก็เลยไม่รู้ว่าแล้วตอนไหนมันดับเราไม่เห็นเขาดับเลยไม่ไม่แน่ใจว่าต้องต้องยังไงเจ้าคะ่ะถึงจะเห็นเขาดับอ่ะเจ้าขาหายไปไงความโกรธหายไปเขาหายไปเลยใช่ไหมเจ้าคาก็หายชั่วคราวเวลาที่เรามีพุโทโธพุโทโธพุโทโธอยู่เขาก็จะหายไป แต่พอเราหยุดพุทโธเขาก็อาจจะกลับมาใหม่ได้ก็แสดงว่าเมื่อไหรที่เราพุทโธแปลว่าเขาหายไปแต่แต่มันเร็วมากจนหนูไม่เห็นเลยเจ้าค่ะไม่จําเป็นจะต้องเห็นนะขอให้มันหายไปก็แล้วกันเจ้าค่ะรับทราบนะสค่ะคือความโกรธมันทําให้ใจเราร้อนเจ้าค่ะให้เราทุกเจ้าค่ะเราต้องกําจัดมันเจ้าค่ะมสองวิธีวิธีพุทโธนี่เป็นวิธีของสติเจ้าค่ะเราก็จะกําจัดแบบชั่วคราวเจ้าค่ะถ้าเดี๋ยวเราหยุดพุทโธมันก็จะกลับมาใหม่ได้ ้าเราอยากําจัดมันอย่างถาวรเราต้องใช้อุบายของปัญญาปัญญาก็คือเราต้องรู้เหตุของความโกรธของเราความโกรธของเราพระเจ้าบอกมันเกิดจากความอยากของเราอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้พอมันไม่เป็นไปตามความอยากเราก็โกรธขึ้นมาวิธีจะทาให้ใจไม่โกรธก็คือให้เรายินดีตามมีตามเกิดอย่างนี้ก็ได้อย่างนั้นก็ได้หยุดความอยากเสีย ใจเราก็จะไม่โกอธใครไม่โกรธมากเลยแต่จะพยายามทําเจ้าค่ะอนะที่จะทาได้ก็ต้องมีสมาธิก่อนมีสติก่อนเจ้าค่ฝึกสติให้มากๆฝึกเชล็ดทอยมากๆก่อนค่ะแล้วต่อไปก็ฝึกปัญญายินดีตามมีตามเกิดใครชมก็ได้ใครด่าก็ได้เจค่ะขอบคุณเจ้าค่ะชอ่าอ คำถามฝากถามจากหน้ากุฏิค่ะน้อมกราบพระอาจารย์ครับยามที่เราต้องพลัดพลาดจากความรักความคาดหวังแล้วเกิดความทุกข์ใจเราควรทําอย่างไรครับเวลาเกิดอารมณ์ทางเพศต้องมองเพศหญิงอย่างไรให้เกิดปัญญาและไม่ผิดหวังอีกครับอนีสองข้อเอาข้อข้อที่สองก่อนเวลาเราเกิดอารมณ์ทางเพศแสดงว่าเราไปเห็นเขาหน้ารักสวยงาม เราต้องพยายามมองในส่วนของที่ไม่สวยงามของเขาก็มองเข้าไปข้างในใต้ผิวหนังร่างกายนี้นอกจากผิวหนังข้างนอกแล้วเรายังมีอาการที่อยู่ภายในภายในของร่างกายเช่นเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูก ม, ม้ามหัวใจตับทั้งผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาการเหล่านี้ถ้าเรามองเห็นเราก็จะเกิดความไม่อยากขึ้นมาได้แห้เราต้องฝึกคิรณาเรียกว่าอสุภาษ ไปพิจรารณาอาการ32ของร่างกายอยู่เรื่อยๆก่อนแล้วเวลามองเห็นร่างกายของกายให้นึกถึงอวัยวะที่ซ่อนเล่นอยู่ภายใต้ผิวหนังด้วยแล้วต่อไปอาการอารมณ์ก็จะไม่เกิดส่วนข้อที่หนึ่งที่ถามว่าเราเศร้าใจเพราะเราต้องสูญเสียใช่ไหมต้องพัดาพากพระพาจากความรักความกอดขวางและเกิดความทุกข์ใจควรทําอย่างไรครับก็อย่าไปหวังอะไร ยอมรับความจริงความจริงคือเราอยู่ในโลกชั่วคราวทุกอย่างเป็นของชั่วคราวมาแล้วเดี๋ยวก็ไปอย่างพวกเรามาเจอกันที่นี่เดี๋ยวเราก็ต้องแยกทางกันไปไม่มีใครอยู่ร่วมกันไปตลอดวันใดวันหนึ่งก็ต้องมีการจากไปจากไปตอนเป็นแล้วจากไปตอนตาย<ม>แต่ถ้าเรายอมรับความจริงแล้วหัดทาใจอย่าไปอยากให้มันไม่ไม่จากกันเวลาเกิดการพ้พาทาาจากกันเราก็จะไม่เศร้า คำถามฝากถามมีสองคำถามค่ะข้อที่1กราบขอโอกาสหลวงพ่อเมตตาให้ความกระจ่างค่ะว่าเราจะมีวิธีตรวจสอบการกระทําและคําพูดหรือแม้กระทั่งความคิดว่าสิ่งที่จะพูดจะทํานั้นถูกหรือผิดควรหรือไม่ควรจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์วัดว่าไม่ควรคิดแบบนั้นไม่ควรพูดแบบนั้นคะพระพุทธเจ้าบอกว่าให้หยุดคิดการกระทําบาปทั้งปวง นะคือถ้าเราอยากจะไปฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกามโกหกหลอกลวงดื่มชรายาเมาเสพอบายามุกความคิดเหล่านี้ไม่ควรจะคิดนะแล้วก็ให้เราคิดตามความเป็นจริงนะคือให้คิดว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นของชั่วคราวไม่เที่ยงมีเกิดมีดับเป็นธรรมดาอย่าไปคิดให้สิ่งนั้นอยู่ไปนานๆสิ่งนี้อยู่ไปนานๆเป็นต้น พอคิดแบบนี้แล้วจะทําให้ใจเราทุกข์ได้เวลาที่เขาดับไปให้คิดให้คิดทางไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาทุกสิ่งในโลกนี้ล้วนเป็นอนิจจังเป่นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ถ้าเราไปยึดไปติดอยากจะให้เขาเที่ยงอยากให้อยู่กับเราไปเรื่อยๆเป็นอนัตตาเป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับไม่ได้ให้คิดแบบนี้ไปแล้วก็ถามว่าแล้ว การกระทําล่ะคะว่าทําอย่างไรถึงพิจารณาียกว่าไอควรทําไม่ควรทําก็นี่เกิดจากความคิดเนี้ก็ไม่ควรทําบาปนะเจ้าสอนให้เรายาไม่ควรอย่าทำบาปแล้วก็อย่าไปยึดติดกับสิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้อย่าไปยึดติดกับลาบยศสรรเสริญสุขเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่เกิดแล้วก็ต้องดับไปเป็นธรรมดาอย่าไปอยากรวยอย่าบยา ก, ยยา ก, ยากมียศมีตําแหน่ง อย่าไปอยากให้ได้รังวีรางวัลอะไรต่างๆอย่าไปอยากเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสความสุขเหล่านี้มันเป็นของชั่วคราวที่เมื่อทาไปแล้วเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วมันก็จะต้องหมดไปพอมันหมดไปมันก็จะทำให้เราทุกขให้เราคิดไปเปี่ยน ว, วิธีหาความสุขไปหาความสุขจากการไปนั่งสมาธิเดินจงกรมนั่งวิปัสสนาฟังเทศฟังธรรม ท, ทบุญทาทาน เป็นวิธีการกระทำที่เราควรจะกระทำกันข้อที่สองค่ะเราทราบว่าเพื่อนของเราเขารักและเป็นแฟนกันแล้วเราไปบอกฝ่ายหญิงให้เลิกคบเพื่ออนาคตที่ดีของฝ่ายชายแบบนี้ถือว่าเราทำผิดศีลไหมเจ้าคะถ้าไม่โกหกมันก็ไม่ผิดศีลถ้าพูดความจริงแต่เราจะไปรู้ความจริงได้งไงว่าเขาไม่ดีอย่างที่เราพูดหรือเปล่า งั้นก็ถ้าเรื่องของคนอื่นนะไม่ควรที่จะไปยุ่งดีกว่าปล่อยให้เขาเป็นใบตามบ AL ุญตามกรรมของเขาดีกว่าเพราะว่าเราไปทําอะไรแล้วเดี๋ยวอาจจะไม่ถ so ูกต้องไม่เป็นไปทางความเป็นจริงก็อาจจะไปทําให้เขาเกิดความแตกแยกกันขึ้นมาการพูดยุยงให้คนเขาแตกแยกกันนี้ไม่ดีเ้าเรียกพูดส่อเสียดอย่าไป ยุคคนนั้นให้เบื่อคนนี้ให้เกลียดคนนั้นให้กอดเกลียดคนนี้ให้ผู้ให้เขามีความรักสามัคคีกันคาถามจากทาง Youtube ค่ะถ้าเราป่วยแล้วไม่รักษาตัวเองปล่อยเป็นไปตามกรรมจะผิดเป็นกรรมไหมครับ อ, อ๋อการไม่รักษาตัวเองก็ไม่ไม่เสียหายตังไหนไม่ได้เป็นการฆ่าตัวเอยเองนะมันเป็นการที่เราไม่อยากจะ ดูแลร่างกายของเราแล้วก็ปล่อยมันเป็นไปตามเรื่องของมันอันนี้ก็ไม่เป็นบาปรกรรมแต่อย่างใดคำถามจากคุณจีรศัก์ค่ะบางครั้งได้ยินเสียงคนมาร้องเรียกได้ยินเสียงเรียกแปลกๆควรวางจิตอย่างไรดีครับก็พิจารณาเสียงว่าเป็นเหมือนยินเสียงเสียงลมพัดเสียงอะไรไปเป็นเสียงธรรมชาติมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปพิจารณาให้เป็นตายรักไป อย่าไปสนใจกับมันปล่อยให้มันมาแล้วก็ปล่อยให้มันไปปล่อยวางคำถามสักคุณสุริยาค่ะเราควรวางใจอย่างไรกับภัยสงครามต่างๆที่เกิดขึ้นก็เฉยๆไปดีที่สุดปล่อยวางบุคคลที่มีปัญหาในชีวิตมากเกิดจากผลของกรรมเก่าที่เคยทำไว้ในอดีตใช่ไหมครับเกิดจากความอยาก อยากมากปัญหาก็มากอยากน้อยปัญหาก็น้อยถ้าไม่อยากอะไรก็ไม่มีปัญหาเลยคำถามจากทางเฟ e บุ๊ k คุณพิมพรวิค่ะ คนเรามักมีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อตัวเองในทางโลกว่าเรายังไม่ดีพอเก่งไม่พอรวยไม่พอและกังวลต่ออนาคตมากกว่าที่จะรู้สึกไม่ดีต่อตัวเองในทางธรรมเช่นยังปฏิบัติไม่มากพอชาติน้าจะเป็นอย่างไรแบบนี้เป็นความคิดที่ผิดใช่ไหมคะและจริงๆแล้วเราควรจะห่วงทางไหนมากกว่ากันคะออแล้วคนย่าห่วงทางธรรมมากกว่าเพราะทางโลกมันเป็นของชั่วคราวร่ำรวยขนาดไหนตายไปก็จบ แต่ทางธรรมนี้เราสามารถเอาติดตัวไปกับเราได้งั้นให้เรามาสร้างความรวยทา ง, งทางธรรมดีกว่าสร้างมรรคผลนิพพานดีกว่าเพราะเมื่อเรามีแล้วมันจะอยู่กับเราไปตลอดคําถามจากคุณชนะนันค่ะหลายคนตั้งใจทําดีแต่ชีวิตยังเจอปัญหาและความทุกข์จึงเกิดความสงสัยและท้อใจขอพระ อ, อาจารย์เมตตาชี้แนะว่าควรเข้าใจเรื่องกรรมอย่างไรจึงจะไม่หมดศรัทธานในการทําความดีเจ้าคะ คือเราอยู่ในโลกที่มีความทุกข์เป็นธรรมชาติของมันทุกเพราะว่าเ ป, เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามมันก็ต้องมีความทุกข์ตามมาอย่างใดอย่างหนึ่งทุกทุกที่เกิดจากการทําของเราเองก็ดีทุกจากการมาเป็นของธรรมชาติของโลกนี้ก็ดีแล้วเดี๋ยวก็น้ำํำท่วมแล้วก็ไฟไหมเดี๋ยวเศรษฐกิจก็ตกต่ำเดี๋ยวโรคระบาดโควิดมามันก็ต้องเจอความทุกข์ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งเราก็ต้องเข้าใจว่านี่เป็นธรรมชาติของโลกนี้ถ้าเราอยู่จะอยู่ในโลกนี้เราก็ไม่ต้องกลัวความทุกข์เหล่านี้เพราะเราสามารถอยู่เหนือความทุกข์เหล่านี้ได้ด้วยการปล่อยวางปล่อยให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขาเราก็ทำใจให้นิ่งให้สงบไปเท่านั้นเองแล้วปัญหาความทุกข์ต่างๆก็จะไม่เข้ามาในใจเราคำถามจากคุณวิชัยคะ่ะการนั่งสมาธิหากไม่สงบสามารถเป็นบุญและอุทิบุญได้หรือไม่ครับ ยังไม่ได้ บ, บุญหรอกเพราะว่ามันยังไม่ได้ผลความสงบสุขถึงจะเรียกวเป็นบุญอย่างนเขาจึงไม่นิยมที่จะอุทิศบุญจากการนั่งสมาธิกันเพราะ9กซของคนนั่งสมาธิมันยังไม่สงบกันถ้าอยากจะอุทิศบุญก็ทําบุญใส่บาตรอันนี้เกิดผลขึ้นทันทีทําแล้วก็เกิดความสุขใจเห็นใจขึ้นมาสามารถอุทิศบุญนี้ได้เลยพระเจ้าจึงส่งสอนให้อุทิศบุญด้วยการทําบุญทําทาน คำถามจากคุณวันเพ็ญค่ะเวลาที่นั่งสมาธิหนูจะรู้สึกสงบแต่มีพี่ชายว่าระวังติดกรรมฐานให้ยกหัวข้อพิจารณาด้วยถึงจะหลุดพ้นก็เลยสงสัยว่าการติดกรรมฐานดีหรือไม่เออมันเป็นสองขั้นไงขั้นต้นก็ต้องทำให้ใจสงบก่อนงั้นเราต้องทำใจให้สงบมากๆจนชำนาญก่อนแล้วเราค่อยไปทางปัญญาอีกขั้นหนึ่งงั้นการติด เบืงต้นก็ต้องติดก่อนเพราะว่าเรายังไม่มีฐานความสงบของเรายังไม่มากพอเราก็ต้องพยายามสร้างฐานของความสงบให้มากมากก่อนเมื่อเรามีฐานของความสงบเต็มร้อยแล้วทีนี้เราก็ไปขั้นปัญญาต่อไปคำถามจากคุณพิพาดาค่ะยืนล้างจานอยู่แล้วจิตตั้งมั่นขึ้นมาเองรวมเองแล้วก็ไปเห็นว่าจิตก็ทำงานของมันกายก็ทำงานของมันเห็นว่ามันแยกออกจากกันค่ะ แล้วต้องทำยังไงคะมันไปเห็นเองไม่มีเจตนาจิตยังตั้งมั่นเองคะ่ะกห้มีสติรู้อยู่เฉยๆไม่ต้องทำอะไรคำถามจากคุณธรรมชาติคะ่ะเวลาเรารู้สึกเบื่อหน่ายโหดหูควรวางใจอย่างไรดีเจ้าคะทําใจให้สงบแล้วอาการหดหูก็จะหายไปออนึกรรมพุโทโธพุโทโธไปนั่งสมาธิไปเดี๋ยวอาการหดหูต่างๆก็จะหมดไป คำถามจากคุณทองสุขค่ะ What is mean of Bhuto b u t o when do meditation? Um, me, Bhuto t is a mantra that you recite to stop your mind from thinking. When you can when you can recite the mantra Bhuto continuously, your mind will stop thinking and your mind will become peaceful and happy. คำถามจากทาง YouTube คุณสิงหราชค่ะการรักษาศีลคือการรักษาใจใช่ไหมครับถูกต้องเพราะว่าปการกระทาของใจผ่านทางกายทางกายและทางวาจาถ้าเราหยุดการกระทำทางกายทางวาจาได้เราก็หยุดการกระทำทางใจได้คำถามหมดค่ะตอนนะีมีใครอยากจะถามอีกไหมมีเวลานะเชิญเข้ามาได้ กล่าวนามนสการพระอาจารย์ค่ะโยมอยากได้ความรู้จากพระอาจารย์เรื่องความตายเจ้าค่ะเพราะว่าเวลาที่มันจะมีประสบการณ์ผ่านความตายเจ้าค่ะแต่ว่ามันไม่อยากตายเจ้าค่ะมันกลัวแบบอะไรอะเราไม่มีตาไว้ดูรูปสวยๆไม่มีหูวไว้ฟังเสียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันกลัวตรงนั้นเจ้าค่ะ กลัวแล้วห้ามมันได้เปล่าไม่ได้จ้ะคอ่าองนั้นก็อย่าไปกลัวเสียเวลาเปล่าๆปล่อยให้มันตายดีกว่าถ้ายอมตายแล้วก็จะหายกลัวถ้าไม่ยอมตายก็จะกลัวไปเรื่อยๆจะยอมตายได้ต้องมีสมาธิช่วยช่วยหยุดใจไม่ให้ไปอยากอยู่เมื่อถึงเวลาตายอย่าไปอยากอยู่เมื่อถึงเวลา ย, ยังไม่ตายอย่าไปอยากตาย ให้มันอยู่ตามความเป็นจริงของร่างกายไปหยุดความอยากแล้วใจเราก็จะไม่ทุกข์จะไม่มีความกลัวเมื่อเรารู้ว่ามันร่างร่างกายนี้มันต้องตายแล้ร่างกายนี้มันก็เป็นเพียงแค่าธาตุสีดินน้ำลมไฟไม่ใช่ตัวเราซะหน่อยแล้วเราก็หยุดความตายไม่ได้ถ้าเราอยากให้มันไม่ตายเราจะทุกข์เพราะเราจะกลัว ถ้าเรายอมให้มันตายเราก็จะไม่กลัวเราก็จะไม่ทุกก็ต้องยอมตายเท่านั้งสมมติว่าเราเรายอมตายแบบมันมันจะมีเป็นช่วงๆค่ะแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้แต่ว่าใจเรายังไม่ยอมเรายังไม่เจอของจริง <c oughs> เลยอะรทุกข <c oughs> ์คะจะเจอเสือจะงูจะกัดแล้วเรายอมตายอันนั้นมันจะยอมจริงๆเข <c oughs> ยอมจริงๆแล้วใจจะหายกลัว อ๋อเจ้าค่ะแล้วมีอีกหนึ่งคำถามเจ้าค่ะเรื่องความฝันเจ้าค่ะ อ, อบางคนอาจจะเป็นฝันแม่นหรืออะไรก็ตามเจ้าค่ะถึงขั้นแบบว่าหลงเข้าไปตามนิมิตอันนี้เราจะต้องทํำยังไงเจ้าค่ะอย่าไปนสนใจกับมันท่านบอกว่าเป็นเหมือนเยือะงูพิษความฝันนี่เป็นเหมือนงูพิษทะนั้นอย่าไปเล่นอย่างงูพิษดีกว่านอกจากว่าเราเป็นหมองกูก็ไปอย่างถ้าเราเป็นหมองูเรารู้จักจับงูมารีดพิษมาทํายาอย่างนี้ก็ เล่นกับมันได้แต่ถ้าเราเล่นกับเราจับงูไม่เป็นนิดนิพิษของงูไม่เป็นอย่าไปเล่นกับมันดีกว่าเพราะมันจะกัดเราเฮ้ชคค่ะมันเป็นอนิจจังไม่เที่ยวไม่แน่นอนและบางทีเราพอเชื่อมันแล้วก็เชื่อมันไปตลอดแล้วมันจะหลอกเราให้เราหลงไปในทางที่ผิดได้เสียเวลากับการปฏิบัติเพื่อมรักผลไม่ผ่าน มันไม่ได้มีส่วนที่จะช่วยให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้นอกจากจะดึงให้เราติดอยู่ในครอบทุกข์ขนายขึ้นไปเรื่อยๆงั้นอย่าไปสนใจกับกับความฝันทำไมจะฝันว่าได้เลขดีมาแทงไปแล้วได้เงินมาก็ตามมันก็เป็นของชั่วคราวเงินทองที่ได้มาก็เป็นของชั่วคราวแล้วก็เป็นทุกข์เวลาเราต้องจากมันไปช่วเราไปทางนิพพานดีกว่าไปทาง ปล่อยวางทุกอย่างความฝูงความฝันอะไรอย่าไปยุ่งกับมันปล่อยมันไปจะรวยขนาดไหนจะอะไรขนาดไหนก็ไม่ต้องไปสนใจกับมันบางคนหลงติดความฝันแล้วกลายเป็นหมอดูไปท่านี้จะปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากนี้ผ่านกรรานั่งสมาธิดูดูนูน่นดูนี่คนมีปัญหาอะไรก็มาถามต่อไปต่อไปกลายเป็นอาชีพไปมีเงินดีเข้ามาแต่ก็เป็นทุกข์ เพราะยังไม่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้การ ม, มีเงินยิ่งมีความทุกข์มากขึ้นเลยเรื่อยๆนั้นอย่าไปสนใจขอบคุณเจ้าค่ะโ okay. อเคมีคาถามไหมมีค่ะจากคุณทองสุขค่ะแคนอาจารย์รีไซต์หรือพุทโธมันตรา You can not me I can but you everybody have to do your own บุาททรคำถามฝากถามค่ะถ้าหัวหน้าไม่คุยด้วยต้องทำอย่างไรคะเพราะว่าต้องทำงานด้วยทุกวันก็ใช้ออเฉยไปเอาไม่คุยก็ดีอยี๋เขาคุยคุยแล้วเดี๋ยวดา่าเราคำถามจากทางยูทู e คุณเอกวิทย์ค่ะจริงๆคำว่าสิ้นคิดมันทำได้จริงไหมหรือว่ามีสติให้เท่าทานความคิด และปล่อยวางแบบไหนถูกต้องครับเมื่อเวลานั่งสมาธิเวลาจิตสงบมันก็หยุดคิดชั่วคราวแต่พอจากสมาธิมันก็คิดต่อเวลามันคิดเวลาที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิล้วก็ต้องรู้ทันความคิดหรือว่าคิดไปทางกิเลสแล้วคิดไปในทางธรรมถ้าคิดไปในทางกิเลสก็หยุดมันถ้าคิดไปในทางธรรมก็ส่งเสริมมันแค่ น, นั้นเองคำถามหมดค่ะโอเค มีใครอยากจะถามยังไหมอช่วยไม่มีแล้วนะไม่มีก็เวลาพอสมควรก็ขอให้ท่านจงนำเราสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปเพณิตพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ